ตอนที่133มาเพื่อแย่งเด็กสวรรค์เรื่องดีขนาดนี้เธอกลับไม่ตอบตกลงเธอคิดอะไรอยู่กันแน่รู้ไหมว่าศาสตราจารย์เซียผู้เท่าคือใครท่านคือผู้ยิ่งใหญ่ในวงการแพทย์แผนจีนเชียวนะท่านกเกษียณมาหลายปีแล้วการที่ท่านเต็มใจจะรับเธอเป็นสิทธิ์มันหมายความว่าเธอไม่จำเป็นต้องเรียนต่อด้วยซ้า วิรมโมร้อนรนจนเดินวนไปวนมาเขาเข้าใจเลยว่าทําไมศาสตราจารย์เจียงถึงได้กโกรธนักถ้าเป็นเขาหลักก็คงจะดีใจจนเนื้อเต้นและอยากจะไปกราบฝากตัวเป็นสิทธิแทนหลี่หวานเสียเองเธอฟังฉันในโอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มีกันทุกคนรีบไปขอโทษศาสตราจารย์เจียงซะบอกท่านว่าอย่าถือสาหาความเธอเลยยังไงก็ต้องกราบศาสตราจารย์เสี้ยผู้เท่าเป็นอาจารย์ให้ได้ถ้าคุณมีความคิดแบบนั้นก็ไปยื่นเรื่องกับศาสตราจารย์เจียงเองสิหลี่หวานจ้องมองเขาอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มออกมาฉันไม่สนใจจริงๆ เธอไม่ได้ปฏิเสธสถานะของศาสตราจารย์เซียพูเทาแต่ในสายตาของเธอมันไม่มีความจำเป็นเลยต่างหากฉันว่าเขาคงไม่แม้แต่จะใช่ตา ม, มามองฉันด้วยซ้ำเหวนโมรู้สึกว่าตัวเองไม่มีหวังถ้าศาสตราจารย์เจียมีความคิดแบบนั้นจริงเมื่อครู่คงจะเอ่ยปากกับเขาไปแล้วหากเขาเสนอตัวเข้าไปเองอย่างมากที่สุดก็คงเป็นได้แค่ตัวตลกหลี่หวันยิ้มโดยไม่พูดอะไรทั้งสองเดินตามกันกลับเข้าห้องเรียนช่วงบ่ายเธอเตร็มตัวจะกลับบ้านเพราะไม่ได้กลับไปพักใหญ่แล้วไม่รู้ว่าแม่ของเธอเป็นอย่างไรบ้าง ความจริงแล้วจุดประสงค์หลักในการกลับบ้านครั้งนี้คือการเตรียมน้ำผู้วิญญาณให้แม่ของเธอการดื่มน้ำผู้วิญญาณจากเนมิติเป็นประจำนั้นส่งผลดีต่อร่างกายและสามารถช่วยบรรเทาอาการไม่สบายต่างๆในช่วงตั้งครรได้หลีวหวานเองก็ดื่มบ่อยๆมามีสรรพคุณช่วยเรื่องความสวยความงามแต่สำหรับเรื่องส่วนสูงดูเหมือนจะไม่ค่อยเห็นผลชัดเจนนักแม้ศาสตราจารย์เจียงจะโกรธที่หลีวหวานไม่รู้จักรับความหมังดีแต่เขาก็รู้สึกว่าเด็กสาวคนนี้มีความคิดเป็นของตัวเองซึ่งนั่นก็ถือเป็นเรื่องดี คนที่มีแววอย่างไรก็ต้องบ่มเพาะให้ดีเขาไม่โกรธเธอจริงๆรหรอกเมื่อหลีหวันกลับถึงบ้านเจ้าชุนฮาวาก็ดีใจมากจนลงมือทำอาหารจานเด็กเต็มโตเจิ้งเซาซิงถึงกับโวยวายว่าคุณย่าลําเอียงชัดๆพอเสียหวานกลับมาถึงทําของอร่อยเยอะขนาดนี้ปกติเธอไม่อยู่บ้านพวกเราก็ได้แต่กินกระดกินรำเจ้าชุนฮาวาแซงทําเป็นโกรธแล้วยกมือขึ้นตีหัวเขาเบาๆดูพูดเข้าสยางกับฉันทารุนแกอย่างนั้นแหละฉันก็เห็นว่าเนื้อหนังแกไม่ได้หายไปไหนสักนิด อาหารยังอุดปากแกไม่ได้อีกหรือเงรีบกินเข้าไปเลยคุณย่าครับความจริงเขาจงใจพูดแบบนั้นเองพอเห็นเสี่ยวหวานกลับมาเขาก็ดีใจจนเนื้อเต้นแล้วเจิ้งเศร้าอย่างแ้เขาเจิ้งเศร้าสิงหัวรอแห่แหผมแค่รู้สึกว่าตอนอยู่กันพร้อมหน้ามันคลื้นดีขาดไปคนเดียวก็รู้สึกแปกปแล้วแค่มีแกคนเดียวบ้านก็คลื้นพอแล้ว เจ้าชุนฮาวาพูดอย่างอารมณ์ดีพลางสังเกตว่าหลีหวานไม่ได้ผอมลงแต่อยู่ที่โรงเรียนดูเหมือนจะมีเนื้อมีหนังขึ้นมาบ้างเธอจึงกำชับให้หลีหวานกินเยอะๆคุณป้าครับในบ้านคือคลื่นกันจังเลยนะในระหว่างที่พูดคุยกันลุงของเจิ้งเซาซิงและเจิ้งเซาหยางก็เดินเข้ามาในบ้านสีหน้าของเขาดูเรียบเฉยพ่อกับแม่ผมไม่ได้เห็นหน้าเด็กๆมานานแล้วทะเลยให้ผมมารับเด็กๆไปอยู่ด้วยสักสองสามวันได้สิให้พวกเขารียกไปเก็บของในห้องเถอะ เจ้าชุนฮวาพยักหน้าเธอไม่มีความเห็นแย่อะไรกับการที่เด็กๆจะไปพักที่บ้านตาบ้านยายมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วแล้วก็ชายหนุ่มชะงักไปครู่หนึ่งวันนี้เขาตั้งใจจะพูดจุดประสงค์หลักต่อหน้าคนตระกูลเจิ้งทุกคนคุณป้าครับเด็กๆ ก, ก็โตกันขนาดนี้แล้วพ่อกับแม่ผมหวังว่าต่อไปจะให้ทางเราเป็นคนดูแลเด็กๆ เ, เองคุณป้าจะได้ไม่ต้องลำบากอีกึ่งคพูดบรรยากาศบนโตอาหารของตระกูลเจิ้งก็เปลี่ยนไปทันที หลิหวันรู้ดีว่าการที่รุ่นเศร้าเหิงจากตระกูลเจิงไปนั้นทําให้ปู่กับย่าเสียใจมากเพียงใดยิ่งไม่ต้องพูดถึงเจิงเจ้งเศร้าซิงและเจิ้งเศร้ายางที่จะต้องจากไปอีกคนแก่จะรับได้อย่างไรเลี้ยงดูฟูมฟักมาจนโตขนาดนี้อยู่ๆจะมาบอกว่าจะเอาตัวไปก็เอาไปเลยอย่างนั้นหรือถ้าจะไปค้างแค่ไม่กี่วันก็พอว่าแต่ถ้าจะให้ย้ายไปอยู่ถาวรไม่กลับมาอีกเจ้าชุนฮวาไม่ยอมแน่เด็กสองคนนี้ยังไงก็แซ่เจิ้งไม่ได้แซ่เดียวกับพวกคุณ รอยยิ้มบนใบหน้าของเจ้าชุนฮวาเลือนหายไปเธอรู้สึกไม่พอใจอย่างมากฉันเข้าใจว่าพ่อแม่คุณคิดถึงหลานแต่พวกท่านก็อายุมากขนาดนั้นแล้วจะมีเรื่องแรงที่ไหนมาดูแลเด็กๆพวกท่านจะรับประกันได้ไหมว่าจะดูแลเด็กๆได้ละเอียดรอบครอบเท่าฉันคุณป้าครับในบ้านคุณมีหลานตั้งหลายคนดูแลเศ้าซิงกับเส้าหยางได้ไม่ทั่วถึงหรอกถ้าคุณหวังดีกับเด็กสองคนนี้จริงๆก็ควรจะตกลง กูเจียตีหน้าขึมเขารู้สึกว่าตอนนี้ตระกูลเจิ้งชัดจะเกินไปแล้วดูแลเด็กตั้งมากมายขนาดนี้ไม่ไหวแน่ๆแต่ยังจะรั้งเด็กๆไว้ไม่ยอมปล่อยเพียงเพื่อความต้องการส่วนตัวของตัวเองไม่ยอมให้เด็กๆไปอยู่กับเขาเพื่ออนาคตที่ดีกว่าปังเสียงหนึ่งดังขึ้นเจิ้งอวิ๋นชงกระแทกชามลงบนโต๊ะอย่างแรงบรรยากาศในห้องเย็นเยียบถึงขีดสุดอีกครั้งถ้าบ้านคุณเป็นห่วงเด็กๆจริงทำไมตอนพวกเขายังเล็กถึงไม่มารับตัวไปหลายปีมานี้พวกคุณมารับไปแค่ปีละครั้งสองครั้งเท่านั้น ตอนนี้เด็กๆโตจนไม่ต้องเป็นภาระแล้วพวกคุณกลับจะมารับตัวไปคุณคิดอะไรอยู่กันแน่เจิงอวิ๋นฉงคาดคั้นกู้เจียเจิงอวิ๋นฉงคุณอย่าพูดจาน่าเกลียดแบบนั้นบ้านผมกับบ้านคุณก็มีความสัมพันธ์กับเด็กๆใกล้ชิดพอๆกันนั่นแหละพวกเราทําเพื่อหวังดีกับเด็กๆทั้งนั้นเมียคุณก็กําลังจะคลอดลูกคนที่สามแล้วถึงตอนนั้นคุณจะมีเรี่ยวแรงที่ไหนมาดูแลเด็กๆพวกนี้อีกกู้เจียแค่นเสียงหึ ตอนแรกที่ผมยอมทิ้งเด็กๆไว้ที่บ้านคุณก็เพราะเห็นว่าคุณไม่ได้คิดจะแต่งงานใหม่คิดว่าคุณคงจะปฏิบัติกับเด็กๆเหมือนลูกแท้ๆของตัวเองแต่ตอนนี้คุณมีลูกของตัวเองแล้วคุณยินจะปฏิบัติกับพวกเขาอย่างดีอยู่อีกเหรอคุณลุงครับท่านอสองกับคุณย่าดีกับพวกเรามากครับเจ้างเศรอย่างโคลงขึ้นมาพวกเราชอบอยู่ที่บ้านครับเศาอย่าง ตอนนี้หลานยังเด็กไม่เข้าใจหรอกว่าใครที่หวังดีกับหลานจริงๆเมื่อเทียบกับลูกแท้ๆของเขาแล้วยังไงหลานก็ต้องเป็นรองอยู่ดีแล้วคุณละ่ะหลีหวันพุ่งขึ้นมาอย่างไม่มีปีมีขรุยลูกชายแท้ๆของคุณกับหลานชายพวกนี้คุณคิดว่าใครใกล้ชิดใครห่างไกลกว่ากันกู้เจียเขาต้องมองหลีหวันด้วยความไม่พอใจอย่างยิ่งเงด็กคนนี้ช่างไม่มีมารยาทเอาเสียเลยผู้ใหญ่คุยกันเด็กที่ไหนมีสิทธิ์มาสอดหบปาก ที่นี่คือบ้านของฉันลูกสาวฉันอยากจะพูดอะไรก็พูดได้อยากพูดตอนไหนก็พูดได้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดเจ้งอวินชงเอ่ยปากปกป้องหลีหวานพรางจ้องมองด้วยสายตาคมกริบคุณจะเอาตัวเด็กๆไปตอนนี้เรื่องเรียนน่ำมันใช้เงินไม่เท่าไรหรอกฉันขอถามคุณหน่อยในอนาคตตอนที่พวกเขาจะแต่งงานมีครอบครัวคุณตั้งใจจะควักเงินให้เท่าไหร่บ้านคุณเองก็มีลูกชายตั้งสองคนคุณกล้าประกันไหมว่าสิ่งที่ลูกชายคุณมีหลานสองคนนี้ก็จะมีเหมือนกันกู้เจียถึงกับอึ้งไปกับคำถามนั้น ผมประกรันไม่ได้แล้วคุณประกรันได้หรือไงพวกเราประกรันได้ลีหงผิงพูดออกมาโดยไม่ลังเลกู้เจี๋ยขมวดคิ้วอีกครั้งผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนตระกูลเจิ้งด้วยซ้ำเธอมีสิทธ์อะไรมาสอดฉันนับเด็กสองคนนี้เป็นลูกแท้ๆของตัวเองตอนนี้พวกเราอาจจะไม่มีเรี่ยวแรงดูแลเด็กทุกคนให้ทั่วถึงในทุกๆด้านแต่ในบ้านหลังนี้อย่างน้อยทุกคนก็ได้รับความเท้าเทียมกันฉันที่เป็นอาภายจะไม่ลำเอียงแน่นอน อีกอย่างเด็กๆ เ, เองก็ไม่ได้งโง่ถ้าพวกเขารู้สึกว่าตัวเองได้รับความอายุติธรรมมีหรือที่พวกเขาจะไม่เต็มใจไปกับคุณ